พูดมาถึงนี้ก็ควรจะได้อ่านเรื่องกรรมฐานเสียบ้างพอทราบความเป็นไปของป่าและบ้านว่าต่างกันอย่างไรบ้างคือราวพุทธศักราช 2,476 ถึง 2,477 มีพระกรรมฐานองค์หนึ่งนับแต่บวชมาท่านไม่เคยเข้าอยู่ในเมืองชอบบำเพ็ญอยู่แต่ในป่าเรื่อยมาท่านไม่ได้เรียนและสอบเหมือนพระทั้งหลายเรียนเฉพาะกรรมฐานห้า และอาการ32กับพระอาจารย์แล้วก็เข้าบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่ากับอาจารย์และหมู่คณะโดยมุ่งมั่นทางสมาธิภาวนาเป็นที่ตั้งเพราะอายุก็ร่วมเข้าส0สิปีแล้วกลัวสังขารจะไม่อำนวยไปนานอาจตายียก่อนวันหนึ่งเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันมาพูดคุยเรื่องพระกรรมฐานทางโคราชให้ฟังว่าเวลานี้มีพระกรรมฐานมากผิดปกติสถานที่บาเพ็ญก็มีเยอะ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 เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ๆมีท่านอาจารย์สิงคันตยาขโมเป็นเจ้าอาวาสตอนเช้าท่านก็ออกบิณฑบาตสายในเมืองกับราที่นั่นเผอิญวันนั้นศรัทธาญาติโยมอ่อเม็ดอะไรใส่บาตรซึ่งท่านเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนนับตะวันเกิดมาเพราะกำเนิดภูมิลำเนาเดิมท่านเป็นคนบ้านนอกทางภาคอีสานอยู่แล้วจึงยากที่จะได้พบเห็นสิ่งดังกล่าวนั้น นับแต่ขณะที่เขาเอาห่อเม็ดอะไรนั้นใส่บาทท่านแล้วทำให้เกิดความสงสัยข้องใจอยู่ไม่ไาวเพราะขณะที่เปิดฝาบาทออกรับบาทที่ไรจะปรากฏกลิ่นอะไรพิกลุนชุนจมูกอยู่เสมอแต่ไม่กล้าปริปากพูดให้ใครฟังทำให้นึกสงสัยไปถึงความไม่ดีไม่งามต่างๆของศรัทธาญาติโยมว่าจะทำได้ลงคอเราหรือเราเป็นพระซึ่งปราศจากความอิจฉาเบียดเบียนใค ร, ใคร ตลอดสัตว์ทั่วไปหมดแล้วตั้งนาบำเพนเพียนเพื่อมรักผลนิพพานอย่างเดียวไม่น่าจะมาทำพระอย่างเราได้ลงคอเจ้ารอยจะมีพระบางองค์ที่ประพฤ้นตัวไม่ดีทำตัวให้เป็นที่รังเกียจของประชาชนก็ได้เขาจึงเกลียดชังและทำได้อย่างนี้เดินบินทบาตก็ครุนคิดไปบิ่นชุนฉุนนั้นก็เตะจมูกเรื่อยไปขณะเปิดฝาบาทเพื่อรับทตรานศรัทธาทุกระยะไป พยายามอดใจไว้ไม่แสดงอาการใดๆออกมาให้ใครทราบเพราะตนก็พึ่งมาอยู่ใหม่ๆแล้วมาเจอเอาเรื่องอย่างนี้เข้าด้วยจึงควรอดทนพอพ้นหมู่บ้านออกมาแล้วทนไม่ไหวจึงเปิดฝาบาดออกคน้นหาดูห่อสำคัญที่เกิดเรื่องกันมาตลอดทางก็ไปเจอเอาห่อเม็ทุเรียนที่เขาแกะห่อใส่บาดด้วยศรัทธาเข้าจึงอุทานขึ้นมาทันทีว่าโธ่พ่อคุณเรานึกว่าจุดจุด ในที่นี้หลวงตาท่านเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับซึ่งน่าจะหมายความถึงของเสียโถ่พ่อคุณเรานึกว่าจุดจุดจุดตัวทรงกลิ่นฟุง้งที่ก็าห่อใส่บาทดัสันดานพระเรานึกโมโ oh หทั้งน้อยใจและเสียใจมาตลอดทางที่ไหนได้มันเป็นเม็ดขนุนเน่าได้สามปีกับสี่เดือนนี่เองหรือทำเอาเราจนใจไม่เป็นใจพระกลายเป็นใจอะไรไปแทบไม่ได้สติประคองตัวเสนาน รอมกับโยนเม็ดขนุนเน่าหอนั้นลงในคลองข้างทางตูมแล้วก็ไปอย่างสบายหายห่วงและหายสงสัยในปัญหาทั้งมวลเพียงแต่วิภาควิจารณผลไม้ไปต่างๆตามความรู้สึกว่าขนุนเน่าเมืองนี้กับขนุนเน่าเมืองเราต่างกันมากขนุนเน่าเมืองเราแม้จะเน่าขนาดเปื่อยและเพียงไรก็ไม่ได้ทรงกลิ่นชุนมากมายแทบทนไม่ไหวเหมือนขนุนเมืองนี้ผู้ใส่บาต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 ขนุนที่ไหนเป็นอย่างนั้นผมยังไม่เคยเห็นเลยก็ขนุนที่เขาใส่บาทมาเมื่อเช้านี้งละท่านจะให้ส่งกลิ่นขนาดไหนจนผมทนเอามาวัดไม่ไหวต้องโยนทิ้งลงคลองข้างทางขนุนนี้เขาไม่ได้แส่บาทท่านบ้างหรือเพราะท่านเดิอนออกหน้าผมน่าจะได้นี่ที่เขาใส่เมื่อเช้านี้เรนั่นมันไม่ใช่ขนุนท่านอดตายจริงท่านนน่นาจะยังไม่เคยเห็นทุเรียนซิลากระมังนี้ นั่นเหรอที่ท่านเอาโยนลงคลองนะ่ะใช่เพราะเหลือจะทนใครจะสะพายไปทำไมองค์นั้นออกอุทานตายตา ย, ตายท่านนี้แย่จริงท่านไม่รู้จักทุเรียนหรือที่เขาใส่บาทเมื่อเช้าเนี่ยคือทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีค่าสูงสุดในเมืองไทยคนไม่มีสตังไม่มีวาสนาร้องไห้อยากกินก็ไม่ได้กินตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละ ที่เขาอุตส่าห์ใส่บาทมาด้วยศรัทธาจริงๆทำไมท่านโยนทิ้งซะน่าจะถามผู้อื่นบ้างสักคำก่อนจะโยนของดีทิ้งทั้งทีแล้วกันท่านไม่เคยเห็นทุเรียนมาก่อนบ้างรูอ้อย่างไรเหล่าเพิ่งจะมาเจอเอามอเช้านี้เองแทบเป็นลมทนไม่ไหวใครจะว่าดีวิเศษขนาดไหนก็ตามจมูกเรามีไม่ยอมใใครมาโกหกได้ก็เช้านี้ผมทราบด้วยจมูกผมเอง ขนาดทนไม่ไหวถึงได้โยนทิ้งและยังจะมาแสกสารว่าเป็นของดิบดีวิเศษอะไรกันอีกเราะจะหมูกคนกับจะหมูกสุนัขมันต่างกันนิท่านจะหมูกสุนัขมันว่าไปอย่างหนึ่งแต่คนฉลาดกว่าสุนัขจะคือเอาความรู้ของสุนัขมาลบล้างความรู้คนผมไม่เห็นและลงใจด้วยแม็ดพันเนี้มันตั้งจุดจุดจุดจริงๆไม่ว่าแต่มันจะราคาแพงๆเลยให้เปล่าเปล่าเนี่ยผมยังไม่ยอมรับ ไม่งั้นจะโยนทิ้งทำไมก็เพราะมันทนไม่ไหวนั่นเองจึงต้องหาทางออกด้วยวิธีนั้นท่านองค์นั้นมีแต่ยิ้มขันขันและพูดว่าท่านเนี่ยน่าจะเกิดไม่หมดชาติเสียแล้วเห็นของดีมีค่าก็ไม่ทราบว่าเป็นของดียังหาว่าเป็นของเก้ไปได้ผมก็หมดปัญญาจะอธิบายอะไรให้ท่านฟังอีกแล้วท่านขนุนเน่าเป็นเพียงยิ้มแต่พูดยางหนักแน่น ไม่สนใจกับคำพูดยกย่องชมเชยทุเรียนขององค์นั้นเลยเท่าที่เล่ามานี้ท่านผู้อ่านพอจะทราบได้กระมังว่ากรรมฐานป่าแท้ๆท่านยอมฟังเสียงใครเอาง่ายๆเมื่อไหร่นอกจากไม่ฟังแล้วท่านยังโต้แย้งยืนยันอย่างหนักหน่วงอีกด้วยดังท่านขนุนเน่าเป็นตัวอย่างดังนั้นคนป่าพระป่ากับคนบ้านพระในเมือง จึงรู้สึกต่างกันอยู่มากเพียงเจอทุเรียนก็เข้าใจว่าขนุนเน่าถึงกับโยนลงคลองแต่เป็นผู้ใช้ความสังเกตพิจารณาบ้างสมกับตำหนิเขาว่าขาดความสังเกตและความเอาใจใส่ตัวเองควรอุตส่าห์สะพายบาตรที่ปิดฝาดีแล้วไปถึงวัดเพื่อถามผู้อื่นดูก่อนจะโยนทิ้งอันเป็นลักษณะของความขาดปัญญาความจริงก็น่าเห็นใจ เราไม่เคยเห็นทุเรียนเนื่องจากอยู่ในป่าการคมนาคมสมัยโน้นผิดกับสมัยนี้อยู่มากจึงไม่มีทางได้เห็นสิ่งแปลกๆเหมือนทุกวันนี้นี่แหละพระ ป, ป่าเข้ามาในงานนิมนต์ในเมืองหรือในกรุงต้องเป็นลักษณะพระป่ามาเจอขนุนเน่าเข้าจนได้แต่ท่านที่เป็นกรรมฐานประเภทคล่องแคล่วทันสมัยจะจนเข็ดฟันก็อาจมีสับสนกันไปเหมือนดีกับชั่วนั่นแหละ